พ่อก็มีอาชีพสอนทรรมไปทั่วไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อหลายลูกหลายองค์พระสงฆ์องค์เจ้าพระวาดจ้าจอมมีทั่วๆไปกำลังเป็นยุคทองยุคทรรมสอนไม่วาดไม่ไหวที่ไหนๆก็ต้องการ แตอจะไปตามความต้องการของผู้กระหายทำแล้วไม่ได้จูวัด่นะแต่ว่าก็แบ่งแบงปันๆกันไปหลายลูกห้ายองค์ก็โดยเพราะสายงานหลวงปู่เทียนเนี่ยล่นมือในช่วงนี้ก็มีงานติดกันอยู่สองสามงาน พอดนธานีหาสระคมรอยเอ็ดขนเจนด้วยสี่จังหวัดเราแบวงกัดไปตอนพวกเราก็ไม่ประมาทหมั่นเพียรศึกษาปฏิปธรรมปลูกสติสร้างความรู้สึกตัว มีกายมีใจมีสติสติถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับต้นกล้าปลูกลงไปที่เนื้อหนาต้องปลูกเอาปลูกเอาไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลอนไ้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่ต้องไปคิดเวลาปลูกก็ปลูกเอาปลูกเอาปลูกเอาไม่ได้มากมากเนอะบางที ส่วนประกอบกับการปลูกต้นกล้าต้นข้าวก็ต้องมีปุ๋ยมีดินมีน้ำมันจึงจะงอกจะงามหมายถึงมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาสิ่งที่ทำให้สติไม่งอกใมงงามเช่นความคิดปุ่งสอน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 มีแต่คิดทําอะไรลงไปก็มีแต่คิดคําตรวจเจาะความคิดอ่ามันแห้งแล้วอผูกข้าวกับน้นําแห้งหมดก็ปิดซักขยันตรงนี้สักหน่อยชาวนาขยันตรงปิดน้ําขังไว้ตรงเนี้ยขยันถ้าขี้เกลียดตรงเนี้แล้วก็พลาดแล้วพลาดแล้วไม่ได้ผลแล้วการทํานาบองทีเราไป ขี้เกียจตรงนี้เรามันชิดกับพอยมันชี้ไปเรียนะว่าขี้เกียจขี้เกียจก็ไม่ได้ผลนะบางทีอต้นไม้เราปลักตําลงไปแล้วต้นไม้มันล้มลงมาทับต้นข้าวเราตรงนี้ก็ต้องขยันทำมันดืดไม่ได้แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพานะหน้า ต้องรีบหามีดเท้าขวามาตัดตอกแบกขึ้นบกขึ้นจากทนเข้าที่ถูกทับสมตกแต่งให้มันงามขึ้นมาให้มันอย่าให้มีอะไรมาทับหมายถึงกิเลสกามราคะปฏิฆะมาณทิฐิมันเนี่ยมันทับทับสตินะเอาออกทันที เวลาเนี่ยเอาออกทันทต้องขยอนตรงนี้อีกนะถ้าไมขยันตรงนี้ก็ข้าวอาจจะไม่มีเสียเลยต้นกล้าที่ปูกไ้หงายสาบซูนไปเลยเพราะว่ากวามมาวะปฏิกะค้อมโกรธข้อมโลภควอมหลงบางทีก็ไม่สิ่งใส่ซ้อนนอนเจาะกอเ จ, อเจอาะรากหัวโมงเอาจร้อนบนเนี่ยต้องขยัน ขยันดูแลรักษาขยันตรงอื่นก็ได้ขยันแต่ว่าหมกมุ่นคุณคิดอยู่ขยันไม่ถูกที่ถูกทางมันก็ไปไร่ผลนะถ้าถ้าเราขยันถูกที่ถูกทางน่ะโอ้มันมีฝีมือมันภูมิใจหน้ามันแห้งเราปิดจ้ามเสนาเราคือมันคิดก็มันคิดไปเราก็รู้สึกเปลี่ยนความคิดที่มันหลงไปเปลี่ยนมาเป็นความรู้ น้ำกำลังไหลเข้าจ่ามันนั่งอยู่โอโ้เรามีฝีมือนะโคมใจโคมใจตรงนี้มีความสุขเหมือนกันนะไปเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกนะวางทีมันเกิดละคะเกิดมานะทิศถีขึ้นมาสาคันหมายมนไห ม, เ ป, มนะเปลี่ยนมาเป็นความลู่นะเปลี่ยนมาเป็นความลู่นะมีความสุขเหมือนกันไม่ฝีมือตรงนี้เปลี่ยนได้สำเร็จทาเป็นทาเป็นหรว่าทานาเป็ น, ป น, ปนไม่ใช่ โเคเฉยมันมีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับต้นข้าวต้นกล้าที่เราปลูกไวหลายอย่างถ้าไม่ทำตรงมันให้สมบูรณ์มันก็ไม่ได้รับผล ร, บรับผลอะไรการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะให้เราหลอกพ้อนะหรอกพ่อขอยันตรงที่ขยัน ดูแลตรงที่คนดูแลแต่ไปดูแลอะไรที่มันไม่ใช่จุดที่เราดูแลเราชํานาญในการดูแลขืนหาของเราปัญหามันอยู่ตรงไหนลูกหมด <c oughs> ลูกหมดเราชานีชํานานเหมือนคนเรื่องลูกในลูกคนที่หนึ่งได้ปริญญาตรี ชำนาญในการเลี้ยงลูกได้ลูกคนที่สองได้ปริญญาโทได้ลูกคนที่สามได้ปริญญาเอกชำนาญในการเลี้ยงลูกเอามาเอามาเอามาให้กูได้ไม่ไก่ตาไก่หูของพ่อของแม่เรามั่นใจใครๆก็ไม่มั่นใจเท่าตัเร า, าเราได้อุ้มลูกถ้าเราได้ป้อนข้าวถ้าเราได้ให้นมเราได้ดูแล ต่างๆมันก็มั่นใหญ่ <c oughs> จำเนชํานานการปฏิบัติธรรมในความมีโ อ, อกาสจำเนธจานานเมื่อมีความชํานานแล้วแรงอาจจะไม่ออกแรงเท่าไรมันมีปัญญาไปในตัววันชาวนาบางคนเวลาปักดำในมืแต่เดินไต่คนาขี่มือโคงการวนนั้นปักดำตรงนั่นปักตรงนี้นาแปลงนั่นปั้นคนาตรงนี้ เอาหนะ้าไม้นันวางโครงก่อนเลยเมื่อปักจําเลยไม่แต่ขี้มือนในญาติหลวงพ่อน ะ, อะพ่อกำนันเป็นน้องน้องพ่อของแม่ของพอนะ่อไม่ค่อยทำไม่ค่อยทานาให้หมู่ลูกลูกทำนาเดินไว้นแ่ขี้ไปตรงนั้นขี้ไปตรงนี้นะ ลูกๆ ก, ก, กัหัวเลาะกันใหญ่เลยขี้คนเดียวนั่นแหละขี้ไปขี้มาขี้ไปโน่นขี้ไปนี่พูดอยู่คนเดียวอโครงการอะไรเยอะแยะการปฏิบัตรริทำในความมันกันบางทีมันก็โครงการจะทําให้ได้จะทําให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เวลามันหลงหทําไมมันหลงทําไมมันหลง เรามันสุกคนทุกข์เอออย่างนี้ดีเอออย่างนี้มันไม่ดีอันนั้นมันความหลงมันทําความเพียรไม่ใช่ความรู้สึกตัวบาทีกิเลสมันทำความเพียรก็หม้ไอ้กิเลสมันสั่งมันสั่งให้ขยันก็ขยันมันสั่งให้ขี้เกลียดก็ขี้เกลียดมันสั่งให้หยุดก็หยุดมันสั่งให้ทําก็ทำระวังให้ดีดีบางที อ่างอนุนอ่างอันนี้อดูดีๆให้มันเรื่องบริสุทธิ์เฉพาะเรื่องมีสติจะหยุดก็สติจะทําก็สติหัดฝึกหัดฝึกหัดมันเบาๆนะถ้าทําถูกควมรู้สึกตัวมาเบาๆกายละหุตาจิตตะลหุตาความเบากายความเบาจิด การเดินจะกรงในเบาเอ ว, วแต่มีส่วนประกอบไม่ไดีคนหนักยากนะเผืน่ะทวนกระแสบุบเบืมาดำคำ่้เครียดไม่ใช่ระวังอะไรให้มันเหมาะสมสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมันตาสัมมาวายามาความเพียร ช, ชอบการงานชอบความตั้งสติไหวชอบ ล, ลึกชอบอะไรต่างๆมันมาทำให้เบากลังร่วมเพื่องทุนแรงที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราทำความเพียรของอยากเป็นง่ายของหนักเป็นเบาได้เหมือนกันผมรู้จึกตัวเน่ยผมรู้สึกตัวเยี่ยงพวกเรามาประกอบเนี่ยอย่างเรามีสติเห็นกายในสำเร็จ ยกมืไปที่หนังลูกมันสำเร็จจริงๆสิบสี่จังหวะสิบสี่ลูกนะโอมันเกิดเวทนาขึ้นว่าเห็นเวทนาเนี่ยเห็นเวทนาเนี่บางคนก็เป็นสุขเป็นทุกข์นะเห็นเวทนานี่มันน่าสงสารสงสารเวทนาด้วยสงสารกายที่เป็นลูกที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์กับเวทนาสงสารจิตใจที่มันเป็นหลงสุขหลงทุกข์กับเวทนาน่ะ มันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ว่าเวทนาร้วนๆมันเป็นปัญญาไปในตัวขณะที่เห็นเวทนาเนี่ยมันไม่ลงโทษเราเลยมันกลายเป็นปัญญากลายเป็นความเมตตากรุณาสงสารกายที่มันไม่เวทนาสงสารจิตใจที่มันไม่เวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เจียวองนะความเมตตากรุณาสงสาร สงสารตัวเองที่มันหลงสงสารตัวเองที่มันทุกข์สงสารตัวเองที่มันโกรธอ่ะมันก็ตื่นรือล่อนนะไม่ใช่หลงหรอกไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่แต่ไม่หลงลเออชอบอนนันไม่ถูกนะมันเป็นปัญญาทั้งหมดเลยการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยนะดูดีดีม <c oughs> ันมีแต่บทเรียน ส่วนก็ะกอบขณะที่มันหลงมันไม่ใช่หลงดุ่นรุ่นความหลงสําหรับผู้ที่มีเพียรมันก็มีเพียรมันก็มีศรัทธามันก็มีสติมีเพียรยังไงเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงไม่ท้อถอยมีสติรู้ขณะมันหลงอมีศรัทธา ต่อความรู้สึกตัวหรือว่าความหลงมันไม่ใช่มิตรของเราไม่ใช่มิตรสติเหมือนตอน้น้บมันทับต้นกล้าหรือกิ่งไม้แห้งๆมันถักลงมามันทับต้นข้าวเราต้นหนึ่งสองตอน้นชาวนาจริงๆเขาจะไม่เฉยเขาจะต้องลงไปเอาไปยกก อ, อกรูปต้นข้าวขึ้นมา หากว่ามันยังล้มอยู่มันแหวกอยูก็อเอาอะไรไปปักเทียมเทียมไว้ให้มันยืนขึ้นบ้างมันมีเพียรตรงนั้นมันมีศรัทธาตรงนั้นมันมีความรักตรงนั้นมันมีความเมตตากรุณาตรงนั้นด้วยสําหรับชาวตายจริงๆได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนาะอคิดถึงด้วยคิดถึงนาคราบกระห่แห้งหรือเปล่าเน้ะไม่ได้ไป เออไม่อะไรน้อเสียหายอะไอย่างน้อไปเดินไปไหนมันวิ่งแล้วนะศรัทธาเนี่ยโอ้ยมันคันแรงนะเหมือนผู้ที่ลาโลกความเพียรเนี่ยนะก็จ่องอยู่สเสมอนะโลยเฉพาะการปฏิบัติธรรมความเพียรการเจริญสติมันไม่ไกลเหมือนกับทำนาด้วยมันอยู่กับเราจริงๆ สารพัดประโยชน์สารพัดนึกแก้วสารพัดนึกนะชีวิตของเราเนี่ยเอามาสิเอามาสร้างความรู้สึกตัวเอาความหลงนะ่มาสร้างความรู้สึกตัวนี่แหแจ้วสารพัดนึกเอาความทุกข์เหลือจ่มันมันมีที่เรามันย่ำยี่เราเอามาเป็นความรู้สึกตัวนะนี่สารพัดนึก เนี่ยมันน่าภาคภูมิใจเวลาเราลบความเพียรเวลาเราเจริญสติมันก็ได้มักได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมไปเรืเ่อยๆไปนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปอ้างโน่นอ้างนี่รอโน่นรอนี่ไม่มีเลยอยู่กับเราอยู่กับเราสิทธิหน้าที่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 อะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาคอยชงอย ช, งอยชงออ่นก็ไม่ได้ต้องช่วยตัวเองก่อนอาความผิดเป็นครูผมลูกเป็นตาความชั่วเป็นตีชั่วดีเป็นตาอะไรท่านว่าไว้แล้วก็เห็นตราเองเห็นเราเองเห็นเราเองเวลาเราป่ารบความเพียร์นะไม่มีตรงไหนนี่ลับเราถ้าว่ากินเหล็กมัน ไลยจริงจริงมันก็โง่โง่งมันไม่ฉลาดอะไรหรอกมาแบบโง่โง่เห็นสันหลังมันอยู่ไม่รับไม่ลีแล้วมันก็ไม่มีสตราอาวุธอะไรถ้าเราดูมันจริงจริงทำย่อมชนะอนธรรมอาธรรมคือกิเลสธรรมคือปัญญาสติปัญญานะมันมาโง่โง่ ความหลงก็มาโง่โความทุกข์ก็มาโง่โงความโกรธก็มาโง่โง่มาแบบไม่รับไม่เรีอะไรเราก็ดูเอาเหมือนยยงเจ้าชุกสนให้มันตะกะตะกามากัดเรามันไม่ระวังตัวถ้าเราอยากฆ่ามันก็ตายอา้ตายเอาบางทีถ้าจะจับมันก็ให้มันกัดสักหน่อยแล้วก็แล้วก็เอามือไปจับมันเลย หรือเหลือบเหลือบบางบางบางบางอย่างเนี่ยมันโง่โงเหมือนกันนะอย่งเหลือบเหลือบเหลือบเลยเหลือบหรือเหลือบนะเหลือบยุงเลยเหลือบหรือเหลือบอ่าเราพิไปอยู่จารันะเหลือบกวงเหลือบกวงตัวแปรแปรเนี่ยพอเวียนปั๊บจับปั๊บเดินดูถ้าเดียวเลยชี้เข้าไปเลยเอามือนูบออกไม่อยากออกต้องเอามือไปบีบ ดึงออกมาอ่ามันก็ต้องเก็บตัวเราเกี่วที่ดึงออกมาถ้าจะบีบให้มันตายก็ตายบีบมันออกมาทิ้งออกไปคานก้อมก่อมไปแล้วเนี่ยสมําหน้ามึงบอกอมึงไม่รู้จกม น, นุษย์จกคนหรือเขาไม่ปัญญาก็าไม่มือ ม, มาแบบไม่รู้หรือไม่รู้หรือักค้ายๆก็บอกว่าหลงที่มันเกิดกับเราเนี่ยละมันก็ท่าทายมึงไม่รู้จกกูหรือ โกรธกามหลงโกรธก็พิลเล็ตมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือเนี่ยในเรามนุษย์นะเนี่ยแบบพระนะเนี่ยอมันมาไม่ได้หรอกรู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาใดที่เอาชนะความโกรธเวลาใดที่ชนะความทุกข์เวลาใดที่เอาชนะกิเลสตัณหาเนี่ยโอ้มันมีฝีมือนะ <c oughs> มีฝีมือมัน <c oughs> ถ้าภกลงใจเราก็เคยเคยชนะ ไม่มีแพ้นะปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยการฝึกตนให้เป็นนักลบ่ยการเจริญสติเนี่ยเขาฝึกไก่ชนเขาฝึกไก่ชนเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องเอาไก่ของเขาไปชนกับไก่น้อยๆจะก่อน <c oughs> พอชนที่ไรก็ชนะทุกทีชนที่ไรก็ชนะทุกทีชนะสัก สองสามสี่ตัวลงไปมาไม่ไม่ย้อมแพรใครหรอกเขาฝึกนะเราก็เหมือนกันอาความหลงนะ่ะ <c oughs> มันเปรียบเทียบกับความรู้สึกตัวพอดีพอดีทำใหม่ใหม่น่ะมันพอดีกันอาจจะอ่อนแอกว่าความรู้สึกตัวด้วยซ้าไปความหลงแนตะ่เป็นความโกรธก็อาจจะเสมอกันกับความรู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัว ยังมีพลังน้อยๆใหม่ๆฝึกใหม่ๆพอเทียมก็ลากไปถึงความคิดที่มันคลุกเคล้าไปด้วยอารมณ์เปรอะปื้อนอะไรมาเทียมก็มากเลยก็ลากเราไปที่เกิดจามหอบเสืออาบหมอนหอบกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่มันกินมันมันมันมันหนักเหมืกันวันสมัยงานมาแล้วหลวงพ่ออยู่วัดปาสุขโตนี่ย ม่พระลูกนั่งคือพายปาดภายย่า ม, มามาขออยู่ด้วยค น, นอำเภอหนองสองหง้องโอ้ดี ด, ดีผมก็อยู่องเดียวมาอยู่เป็นเพื่อนกั น, นโอ้คิดไว้นานแล้วท้งใจจะมานานแล้วแต่ไม่ได้มาสักทีตัดเสยนใจมาดีดีนี่คุยกันไปคุยกันมา เขาเอาหอยยามาสูบอุย้ยที่นี่เขาไม่สูบยานะาไม่สูบยานะเนี่ยที่นี่เขาไม่สูบบุหรี่นะแล้วพ่อก็ลูกไปเอาเพราะว่าเข า, เาหอยามาสูบลูกไปเอาเสือเสือก็ก็ไอบก็สอดไปกับกับต่ำกับเชือกแเอาเสือมาจะปูให้เขานั่งพ่อก็ เขาเสือพูไปไงูเขียวงูเขียวมันอยู่ในเสือพูเอาหาว่าลวงพอ่อเอางูไปใส่เขาโอ้ยทำไมงูมาใส่แล้วนะจ๊ะเราคยกันตาคุยกันมาผมไปเล่นบ้านนุ่มจังหน่อยกันหน่อยไปบ้านพป่าข่วงค่ำเราก็ยังไม่มาก็ตามไปรอโอ้จุด ดองก่อไฟนอนอยู่ใต้เล่าโยมนลนไปเรียกมาก็ไม่มาเพียงบุหรี่เนี่ยเพียงไม่ให้สูบบุหรี่ปล่อยกันใหญ่เลยเนี่ยมันลากไปน ะ, ะแรกก็ตั้งใจจะมาจดด้วยพอท่วงนิดเดียวเวทนี้ไม่สูบบุหรี่ปล่อยกันเลยนะไม่ไม่เอาเลยมันมันก็ลากไปได้สติยังไม่มี ที่นี้โคตีนบุรี่ที่มันเคยหิวมันเกิดขึ้นมามันเราไม่ได้ละถ้าถ้ายังไม่ฝึกตนเองหลวงพ่อก็เคยฝึกมันกันเคยติดบุหรี่มามันกัน <c oughs> อถ้าจะไปอดซึ่งหน้าเนี่ยมักจะไม่ได้เพราะว่าการเอาชนะบุหรี่มันเห็นทุกเห็นรูกเห็นน้ำสงสารรูปสงสารนามเนี่ยไม่ได้อดสักหน่อยเลยโอ้อันนี้มันดีนะ ปัญยาคนหมอให้จะแก้ไขแก้ปวดใจแก้แพ้เนะ่ยไม่ต้องไปเกามันแก้คันพอให้สินยาแก้แพ้ลงไปนะป่ะวปัาเดียวหายคันไปเลยนะอันนี้ก็โอสถดธรรมะที่เป็นปัญญาที่ไปเห็นรูปเห็นนามเนะี่ยเห็นรูปทุกเห็นนามทุกในสงสารรูกบุรีนี่หลุดไปเลยไม่ได้อดเลย เ ไ, ได้สู้เลยนีนโคตีนมันหายไปไหนไม่รู้ตัวปัญญาตัวปัญญาแต่ก่อนโหใจด้วยเหนื่อยด้วยหลายอย่างที่มันหิวเลยมันอดนะต้องอดต้องทนกอดปอนสู้พอมาเห็นรูปทุกน้าทุกเนี่ยโอ้ยไม่ได้อดสักหน่อยเลยมันหลุดไปเลยมันหลุดไปเลยอย่นี้ เรียกว่าปัญญาขนส่งนะ้าไปอดโตตัวตัวแต่ไม่ได้เหมือน <c oughs> <c oughs> ไปอยู่คอนเจนเขาน้องชายติดเฮโรอีนมาให้ก็ก็ตรวจกระเป๋าได้เฮโรอีน สองหลอดเขาข อ, ขอยึดไว้เขาก็บอกว่าผมก็มีเท่านี้ลงพอผมก็เอามาเพื่อมันจะไม่ไหวผมก็ขอให้หมดสองหลอดเนี่ยผมก็เลิกแนละ้วไม่ได้แร้วจะทํากับผมยังไงหักเลยหยุดเลยว่อบอกว่าหยุดเท่านั้นชกไปเลยล้มลงที่สาวก็ต้องไปบกอดเอาไว้กอดเอาน้องไว้ ก็เสียไปเลยชกไปเลยวันวันมันไม่ไหวบางทีมัน <c oughs> บางทีก็ก็ว่าหักดิดเพยียงแต่ว่าหักดิดไปเลยเขาก็กลัวแล้วบางทีถ้ากําลัง <c oughs> ความเพียรสติไม่มีเนี่ยมันแพ้แต่พื้ต่พื น, นะะอะไรอะไรก็ตามเถอะขณะนี้เรามาสร้างสติไปก่อนอย่าไปมองว่าจะสู้ได้หรือเปล่า เกียรตพระนาฏัณหาลอยแปด 8, โอ้ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วที่จะสู้เรื่องนี้ได้เราเนี่ยวันกิเลสหลายกิเลสหลายตัณหามากสู้ไม่ได้ดอกไปคิดแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่ไปคิดมาทําเลยมาประกอบมาประกอบมาเจริญสติสตเปิดเอายกมือลู่เอารู่เอารู่เอารู่เอารู่เอารู่เอารู่เอาไปเลยวันเราปักดำนาคลาดนางานเ่ยใหญ่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 เพราะมันไม่รีลับมันธรรมะนี่ก็ได้แล้วก็เป็นขอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลตั้งแต่เริ่มต้นจังสติมันก็มีสติแล้วสติมันก็ไปเห็นความหลงไม่เคยเห็นความหลงโดยจะพาะความหลงที่เกิดจากความคิดความคิดที่มันหลงนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเลยพอทําไปทําไปเห็นนนุนเห็นนี่มาฉายให้ดูเห็นความคิดตัวเองนี่ก็โอ้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 เรีว่าเห็นงานเห็นการได้งานได้การเป็นการงานชคตรงเนี้นะพอมันรู้มันก็หมดไปจริงๆอันความคิดที่มันไหลที่มันคิดไปต่างๆนานาแล้วมันก็มันก็เปืดอเือนมามันเป็นนิสัยด้วยอันความคิดที่มันเคยชินในเรื่องต่างๆนะพอมาห้มันรู้สืตัวมันก็ไม่ยอมมันก็แสดงออกมา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 เป็นบทเรียนที่หาหายากไม่มีใครสอนเรานอกจากเราที่จะมาดูแลมาสอนมาดูตัวเองก็เลยขยันตรงแนี้ขยันสร้างจาังหวะขยันยกมือเหมือนกับกวนมันถ้าถ้าไม่สร้างจาังหวะถ้าไม่ยกหรือไม่ปลูกสติถ้ามันคิดนั่นมันไม่มีรสชาตินะ แต่ถ้าเราตั้งไว้กับความรู้เสกตัวมันคิดไปเนี่ยตรงนี้มีรสชาติดิเห็นจังจังขาหนังคาเขาของเทปของเถื่อนของจริงของไม่จริงมันตรงกันพอดีมันตรงกันพอดีแล้วตัวรู้ที่เราสร้างเนี่ยตัวรู้ที่เราสร้างเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆมันจะเห็นความหลงชัดของเก่าชัดกองเก่าระหว่างตัวรู้ระหว่างตัวหลง ทำใหม่ใมมันก็เครื่องลูกครึ่องหลงพัดเข้าไปยังไงะพอทําไปทําไปเนี่ยมันจะเห็นความหลงนี่ชัดเจนมากนะบางทีพอเห็นความหลงชัดเจนเนี่ยทําไมทําไมใหม่มันก็ยากสู้กับความคิดพอทําไปทําไปมันสนุกมันหัวโลดได้หัวโละความคิดตัวเองหัวโละความหลงตัวเองหัวโละความทุกตัวเองมันเป็นเป็นอย่างนั้นมันเจ๊งละความรู้สึกตัว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 ไม่ใช่ว่ากัดฟันสู้เหมอนเราทำอะไรความรู้สึกตัวน่ะมันเป็นความแยกคลายเป็นความสุขขมโลภครอบเฉยๆความเห็นเป็นทั้งปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเลยการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องรองเข้าอยู่ในไตรสิกขาไปทันทีเลย เข้าอยู่ในองค์มัดทันทีเข้าอยู่ในหลักอริยสัจทันทีลุ ย, ยตรงนี้ได้เลยเห็นอปัญหาต่างๆเห็นเหตุเห็นผลเห็นหลักเห็นฐานของมันไม่ต้องไปงมงมๆซอนซาวทําไมมันจึงหลกไม่ต้องไปทําใหม่เพราะเราไม่รู้ป็ะจงหลงเเราก็กลับมามรู้ซะความรู้เนี่ยเราก็สร้างได้ มือของเรากายเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวัด น, นิมิตรเนี่ยบัพพะเนี่ยกายบัพพะสมัญญะบัพพะเนี่ยเป็นเป็นาธาตุเขยา่าธาตุลู้ได้อย่างพอเพียงไม่เหมือนลมหายใจนะไม่เหมือนดูลมหายใจน ะ, ะมันตื่นมันลู้มันพอเพียงมันเหมาะมันเหมาะกับการเริ่มต้น มันเหมาะกับการเริ่มต้นที่มันได้สัตว์ได้ส่วนได้โคบงูดได้หลักแหลงนะอันยกมือสร้างจังหวะเราก็เปรียบเทียบลองดูเราเคยดั่งเออหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมมันเวลามันทัดเข้าไปในความหลงความมนะ่วงมันไม่ไม่เห็นชัดเท่ากับเรามาออสร้างสติแบบกายเคลื่อนไหว เลือนตาจ้องจงยกมือไปยกมือมาปั๊บมันชิดไปหรือมันห่วงอย่างเนี้ยปั๊บเข้าไปแต่เนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วมันจ้องจงตัวนี้มีน้ำหนักอยู่แล้วมีฐานมีที่ตั้งอยู่แล้ววันเรายืนอยู่ในที่ที่ยืนได้มั่นมีอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เส่ไม่สัดสายได้ง่ายหรือเราจะฟันขวานแต่เรายืนไม่มั่น แรงของการฟันขวานคันมีดก็ไม่เต็มที่ไม่ไม่มีแรงแต่ยืนไม่มั่นนะการกรรมฐานวิชากรรมฐานมันยืนมันมัน่นเวลาลราเวียงไปเนะี่ยกับความรู้สึกตัวนะมันจะหลงเนะี่ยมันเวียงขึ้นมาได้ออกแรงได้ดีกว่าไม่เหมือนกับดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะอันนี้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 ไม่ไม่จำกัดลัทธิในกายไม่จำกัดเพศไว้ไม่จำกัดชาติชั้นวรนนะ่ะมันเป็นหลักของสกุลการปฏิบัติธรรมแบบนี้นะขอขอพู้หัแบบนี้นะเพราะว่าเรามั่นใจจริงๆผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติก็เอาตรงนี้ไปเลยตั้งต้นจากตรงนี้ไปเลยไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลหรอกผมพ่อเนี่ยเคยเสียเวลาเรื่องเหตุเรื่องผลมามาก เช่นเราเดินจงกรมโอ้เราเดินให้ลู่โอ้เราเดินให้ลู่แดีวก่อนเราเดินเดี๋ยวก็เดินนานเท่าไหร่ปักทูบไว้เอาทูบกําหนดเวลามองทูบด้วยเมื่อไรทูบมันจะหมดจะได้นั่งมันมันหลงไปโอ้ยเรานปส่งกําหนดลู่ไปลู่ไปลู่ไปกลับไปกลับมาลู่ไปลู่ไปกลับไปกลับมาเอ้าวก้าวไปมันก็เห็นลู่ก้าวไปมันก็เห็นลูเอ้าตัวลู่มันเกิดได้จากไกายที่ก้าวไปได้จริงจริง เก้าที่เริ่มก็รู้ก้าที่เริ่มก็รู้ว่าตัวรู้กับตัวรูปที่มันเก้าไปเนี่ยวัตถุที่รู้กับตัวรูปที่เป็นรูปน่ยมันพร้อมกันพอดีไม่ใช่คิดเอามันก็เห็นรูปเห็นนามทันท